การปฏิบัติจริงๆมันไม่ยากหรอกที่เราจะเห็นใจรักของรูปนามเนี่ยขั้นแรกเราต้องรู้สึกตัวให้เป็นกันให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้จิตใจลืมเนื้อลืมตัวจิตมันหนีไปจิบมันหนีไปคิดหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปดมกลิ่นหนีไปลิ้มรสหนีไปรู้สัมผัสทางกายหนีไปเรื่อยๆขณะที่จิตมันหนีไป เรามีกายเราก็ลืมกายเรามีใจก็ลืมใจเงี้ยถ้าเมื่อไหร่จิตมันหนีไปนะเราก็ไม่เห็นกายไม่เห็นใจเมื่อไม่เห็นกายไม่เห็นใจก็ไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจใจลักษแสดงอยู่ที่กายกับใจลืมกายลืมใจไปแล้วไม่มีกายมีใจให้ดูนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งของนักปฏิบัติเราที่จะเจริญปัญญาเรียนรู้ทุกข์ก็คือความลืมตัวเองลืมกายลืมใจเงี้ยต้องฝึก ให้จิตใจอยู่กับตัวเองนี่ธรรมชาติของจิตมันออกเที่ยวตลอดเวลาจิตมันไหลไปตามความเคยชินเดี๋ยววิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้นะหลวงพู ด, ดุลเคยสอนหลวงพ่อธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนี่คนทั่วไปพอจิตออกนอกแล้วไม่มีสติไม่รู้ทัน ว่ามันหนีไปแล้วมันก็หนีไปนานเราก็ต้องมาฝึกให้จิตมันรู้จักมีสติให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัววิธีฝึกนะต้องทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกเอาจะดูกายก็ได้ดูความรู้สึกสุขทุกข์ก็ได้ดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลอะไรก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหรือจะท่องพุโทโธพุโทโธ จะรู้ลมหายใจอะไรก็ได้ทําสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตเช่นเราพุทโธพุทโธนะพุทโธทั้งวันเลยมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็พุทโธเมื่อนั้นพุทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิตไม่ได้พุทโธให้จิตนิ่งเช่นเราพุทโธพุทโธจิตแอไปคิดแล้วเราก็รู้ทันมาหนีไปคิดอีกแล้วไม่ห้ามห้ามไม่ได้กลับมาพุทโธอีก หนึ่งก็หนีไปอีกรู้อีกหนีอีกรู้อีกคืออย่างนี้เรื่อยๆเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะใช่หลักข้อนี้แหละในที่สุดจิตมันจำสภาวะของการเผลอได้พอเผลอปุ๊บมันจะรู้เร็วสติเนี่ยมีการจำสภาวะทำได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดจะจำสภาวะได้แม่นก็ต้องเห็นสภาวะบ่อย นี้เราจะฝึกให้ได้สมาธิขึ้นมาเราก็ใช้รู้ทันสภาวะที่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านกับสมาธิกลับข้างกันธรรมชาติของจิตเราฟุ้งซ่านทุกคนน่ะฟุ้งซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฟุ้งไปหารูปหาเสียงหากลิน่นหารสหาสัมผัสทางกายฟุ้งไปหาอารมณ์ทางใจห้ามมันไม่ได้มันเคยฟุง้งแค่แค่มีสติรู้ทันว่ามันฟุง้ทงทันทีที่สติเกิด ความฟุง้งซ่านจะดับโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปดับมันเราไม่มีหน้าที่ไปดับอะไรมีหน้าที่รู้ตัวความฟุง้งซ่านมันก็อยู่ในสังขารขันนะก็เป็นอยู่ในตัวตัวขันนะนะั่นแหละเป็นตัวทุกข์อยู่ในกองทุกข์นหน้าที่ต่อกองทุกข์คือรู้เนี่ยเรามาใช้ตรงนี้งั้นจิตมันฟุง้งซ่านรู้ว่าฟุง้งซ่านทันทีที่รู้ว่าฟุง้งซ่าน มันก็มีกฎของทําไมอีกข้อหนึ่งเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไใดมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติเราคอยรู้ทันทําพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปเรารู้หายใจไปจิตหนีไปเรารู้ซ้อมทุกวันทุกวันจิตจําสภาวะที่เคลื่อนไปได้หนีไปได้พอาการหนีเกิดขึ้นสติระลึกรู้ทันว่าฝุ่งซ่านแล้ว ทันทีที่สติระลึกรู้ทันว่าฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็ดับทันทีที่ความฟุ้งซ่านดับสมาธิก็เกิดง่ายๆนิงธรรมะของพระเจ้ามีเหตุมีผลทั้งหมดเลยนะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีอยู่ในหลักอันนี้ทั้งหมดเลยทัานทำกรรมฐานอย่างหนึง่งจิตหนี้ไปแล้วรู้ทากรรมฐานนะจิตหนีเรารู้ต้องซ้อมทุกวันทุกวัน จิตจำสภาวะที่หนีได้แม่นยำพอจิตหนีปุ๊บสติจะระลึกรู้ได้เองมันจะรู้ทันว่าหนีแล้วจะรู้ว่าหนีแล้วไม่ใช่ห้ามหนีนะถ้าห้ามหนีเป็นอันตตกิลมถานิโยบังคับตัวเองมากไปให้หนีเรารู้เผลอไปเรารู้เผลอไปเรารู้จิตจำสภาวะได้สติเกิดเผลอปุ๊บรู้ปับ๊บเผลอปุ๊บรู้ปับ๊บไม่ได้เจตนาจะรู้รู้ปุ๊บขึ้นมา ความฟุ้งซ่านที่ทําให้เผลอไปนั้นดับสมาธิก็เกิดจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวง่ายๆรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนั่นแหละจิตรู้จะเกิดนี่หลวงพ่อพูดที่พูดเสยาวเนี่ยเพื่อแจกแจงรายละเอียดให้ดูมันมีขั้นมีตอนแต่ถ้าพูดยอ่อลงมาเลยนะเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ฝึกเนี้ยในที่สุดใจมันก็ตื่นขึ้นมาได้สมาธิ จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตทรงสมาธิที่ถูกต้องสติเราก็เริ่มฝึกไปตั้งแต่คอยรู้ทันสภาวะที่เผลอเคลื่อนเรารูเคลื่อนเราดูสมาธิก็ได้อัตโนมัติขึ้นมาสติก็อัตโนมัติขึ้นมาสมาธิก็อัตโนมัติขึ้นมาแล้วถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยถ้าไม่ทําอย่างอื่นนะแค่รู้ว่าเผลอไปแล้วล้วก็รู้สึกเผลอแล้วรู้สึกแค่นี้ก็เดินปัญญาแล้ว จิตที่เผลอไปเป็นจิตที่มีโมหะจิตที่รู้สึกตัวเป็นจิตไม่มีโมหะมันก็จะไปเจริญปัญญาโดยใช้จิตเป็นอารมณ์ดูครับพิสูจ์ทั้งหลายจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะเดินปัญญาอยู่เห็นหั้ยการที่เราฝึกกรรมาฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดนะนอกจากได้สติได้สมาธิแล้วได้เจริญปัญญาไปในตัวเลย นี่เป็นวิธีฝึกรวบยอดเลยนะรัดสั้นมากเลยแล้ววันวันหนึ่งจิตเผลอตลอดเดี๋ยวก็เผลอเผลอเรารู้เผลอเรารู้นะปัญญาจะเกิดตรงไหนปัญญาไม่ได้เกิดตรงที่ว่าห้ามเผลอเราไม่ได้ปฏิบัติเผลอเรารู้เพื่อจะเอารู้ไม่ได้ปฏิบัติเผลอเรารู้เพื่อจะไม่ให้เผลอเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อปฏิเสธอันหนึ่งเพื่อจะเอาอีกอันหนึ่ง แต่เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าจิตจะเผลอมันก็เผลอได้เองจิตจะรู้มันก็รู้ได้เองสุดท้ายปัญญามันปิ้งขึ้นมาจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันเองเมื่อไรเห็นว่าจิตไม่ใช่เราขันห้าทั้งหมดจะไม่ใช่เราโดยอัตโนมัตินี่เวลาภาวนานะถ้าเข้ามาที่จิตนะ่ะรวบยอดหมดเลย แค่ดูจิตเคลื่อนไปเคลื่อนไปแล้วรู้เนี่ยสติก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาก็อัตโนมัติไม่ใช่เห็นนะทุกอย่างมันทางานได้เองมันไม่ใช่เราจิตจะ เ, เผลอไปหรือจิตจะตั้งมั่นสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งไม่ให้เผลอไม่ให้ไหลไปคิดมันยังคิดเลยคิดไปแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่ว ถ้าเรารู้ไม่ทันตรงที่จิตเคลื่อนไปเราไปรู้ตรงที่มันเกิดสุขเกิดทุกข์ก็ยังใช้ได้ถ้าเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วยังรู้ไม่ทันก็ไปรู้เอาตอนดีชั่วได้นะไปรู้เอาตอนนั้นได้แต่ถ้าดีชั่วขึ้นมาแล้วนะยังรู้ไม่ทันอีกนะจิตจะปรุงแล้วคราวนี้ยจิตจะทํางานนะจิตสร้างพบทุกแน่นอนช้าไปแล้วช้าไปแล้วต่อยนะสมัยก่อนมีศัพท์นี้เดี๋ยวนี้ไม่มีล้ว ก็ฝึกนะจิตเผลอเรารู้จิตเผลอเรารู้ไม่ห้ามเผลอไม่ได้เอารู้ปัญญามันเกิดตรงที่ว่าคนทั่วๆไปฮะจิตมันเผลอตลอดเวลาตื่นนอนมาก็มีแต่เผลอเผลอเผลอเผลอเผลอนะจิตมีแบบเดียวคือเผลอเราฝึกเนกระทั่งเกิดจิตรู้จิตรู้มันมาตัดทําให้จิตเผลอขาดไปแล้วก็พอจิตรู้เกิดอยู่ชั่วคราวก็ดับไปจิตเผลอมาใหม่ จิตเพลอมาใหม่รู้ใหม่จิตเพลอก็ดับจิตรู้ก็เกิดจิตรู้เกิดได้พักหนึ่งจิตรู้ก็ดับจิตเพลอไปก็เกิดอีกสุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะเห็นซ้ํำๆอย่างเงี้ยเจ็ดวันเจ็เดือนเจ็ดปีมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจะเห็นตรงนี้ถ้าจิตยอมรับความจริงตรงนี้ได้เข้าถึงความจริงตรงนี้ได้คือภูมิธรรมของพระโสดาบันเนี่ยเรียนนะเรียนไม่ต้องอ้อมค้อม เข้ามาที่จิตได้เข้ามาที่จิตเลยจนกระทั่งเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาปัญญาคือเห็นความจริงแล้วไม่มีเราสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นดับเห็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีแรงที่จะดูจิตดูใจให้ดูกายดูกายก่อนกําลังไม่พอจะดูจิตก็ดูกายไปแต่ดูกายเนี่ยต้องสลับกับการทําความสงบเป็นช่วงๆไป ถ้าไม่ทำสมาธิเลยดูกายไม่ได้ดีไม่มีแรงดูดูไปเดียวเดียวไปเพ่งนิ่งอยู่กับกายเลยนิ่งๆซื่อบื้อไปองั้นหลายปีหลายชาติทาใจให้มีสมาธินะจิตถึงฐานจริงๆออกมาดูกายมันจะเห็นว่ากายกับจิตนั่งคนละอันกันกายกับจิตเป็นคนละอันกันนี่ไม่มีกำลังจะดูจิตมันก็จะเห็นกายใครเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็น จะเห็นว่ากายไม่ใช่เรานะดูไปเรื่อยๆ เ, เกิดมีแรงขึ้นมากลับมาดูจิตได้หรือดูกายไปเรื่อยๆหมดแรงดูกายก็ไม่รู้เรื่องแล้วมั่วไปหมดลนะทำสมถะพุโทโธพุโทโธใหม่ไม่ต้องเดินปัญญาหายใจไปไม่ต้องเดินปัญญาให้ใจมันสงบใจสงบใจก็มีแรงใจมีแรงกลับมาดูจิตได้อีกแล้วนี่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะหลวงปู่สุวัตนะ ท่เล่าให้ฟังว่าท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นะหลวงปู่มั่นสอนท่านดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําความสงบไหมจิตเป็นหลักก่อนดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้เราไปดูกายบางคนมีความยึดติดนะว่าต้องดูกายก่อนไม่จําเป็นหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้เริ่มจากการดูกายเลย ธ ร, รมานาปนาสติแลพระจิตตั้งมั่นเด่นดวงแล้วหลวงปู่ดูลสอนดูจิตต่อเลยเห็นจิตเกิดดับเห็นจิตทํางานไปเลยหลวงปู่ก็ชมพาวนาดีภาณาถูกช่วยตัวเองได้วันหนึ่งก็เกิดสงสัยตะเวนพอหลวงปู่บอกว่าทําถูกแล้วก็ตะเวนออกไปดูครูบ า, าอาจารย์อื่นๆเอ๊ข้าวัดไหนวัดไหนครูบาอาจารย์สอนพุทโธพิจารณกายแทบทุกวัดเลย ยัเว็นหลวงพุทธสอนดูจิตใจนอกนั้นก็มีแต่ดู ก, กายดู ก, กายเกิดสงสัยเราต้องดูกายไหมเนาะไปถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับผมไปที่ไหนที่ไหนครูบาอาจารย์แต่ละวัดนะท่านสอนไม่ได้สอนเรานะสอนคนอื่นเราไปได้ยินได้ฟังให้ดูกายพิจารณากายผมจะต้องพิจารณากายไหมครับหลวงปู่หันมามอง ด้วยสายตาสังเวชมองท่านก็สอนนะที่เขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตให้มีกำลังเห็นจิตถ้าเราเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งท่นใช่อย่างนี้นะกายมันเป็นของทิ้งทิ้งตั้งแต่ตอนไหนทิ้งตั้งจิตมันเด่นดวงขึ้นมานะกายมันอยู่ต่างหากแล้วถูกทิ้งออกไปแล้วมันเข้ามาเรียนรู้อยู่ในจิตในกิเลสอยู่ที่จิตนี้ เวลากิเลสมันทํางานนะมันผุดขึ้นตรงกลางอกนะขึ้นจากกลางหน้าอกเนี่ยผุดขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นที่สมองนะขึ้นที่กลางหน้าอกเนี่ยผุดขึ้นมาสุขทุกดีช่วผุดขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยเวลาที่อริยมรรคเกิดเขาแหวกออกที่กลางอกนี่นะไม่ได้แหวกที่สมองหรอก <S <s ผุดขึ้นตรงนี้เองแต่ว่าเราอย่าไปจ้องอยู่ที่กลางอกให้ความรู้สึกผุดขึ้นมาแล้วก็แค่รู้ จะค่อยๆดูค่อยๆไม่ยากหรอกง่ายวันนี้เทศเนื้อหาเยอะนะพวกเราถ้าทางจะไม่ไหวละ ว, วันนี้พอสมควรส่งกันบ้านดีกว่า <c oughs> <c oughs> เอ้าว่ามากาบนมัสการค่ะก็มันอ๋อวันนี้มันมีแรงก่อวันแรกๆอะคะ่ะหรือว่าจะบอกว่าวันนี้วันศุกร์ก <c oughs> ็ <c oughs> แต่ว่ามันก็ยังฟงซ่านอยู่อะคะ่ะก็ดีแล้วล่ะมีแรงแล้วมีแรงแล้วไปดูต่ออย่าไปฟงเยอะนะไปเล่นเยอะดูกายดูใจให้มากทางรอดของเราอยู่ตรงนี้ช่วยตัวเองให้เยอะๆดูของเราตอนหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อไม่ยุ่งกับคนอื่นนะไม่ยุ่งเลยนะตื่นมาก็ดูของเราไปถึงเวลาไปทำงานก็ทำไปมีเวลาเมื่อไหร่ก็ดูอีก จะกินข้าวก็ดูจะอาบน้ำก็ดูจะเอือจะฉี่ดูทนั้นเละดูกายดูใจไปได้มีแรงก็ดูจิตไปไม่มีแรงก็ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้หายใจไปรู้สึกตัวไปฝึกมาอย่างนี้ทั้งนั้นเลยไม่ยุ่งกับคนอื่นนะยุ่งเท่าที่จำเป็นอย่างไปไประชุมไปสัมมนาเนะี่ยกลางคืนเขากินเลี้ยงกันนะเราไม่กินกับเขาเสียเวลาหมดเวลางานแล้วจะมาสั่งให้เรากินเลี้ยงไม่ได้ ไม่ผิดวินัยราชการนะเขาจ้างเราทํางานเขาไม่จ้างเรากินเลี้ยงเดี๋ยวพอไปสา ม, มัญนงสั ม, มันานานะกลางคืนเขากินเลี้ยงไม่กินหรอกต้องดูก่อนว่าไปจังหวัดไหนต้องรีบไปสืบมาว่ามีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ๆตรงไหนบ้างแล้วก็ไปหาบางทีถ้าได้ยินหลวงพ่อเล่านั้นจะพบว่าหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ตอนกลางคืนบ่อยแต่เล่าบรรยากาศน เข้าวัดไปกลางคืนที่โน่นที่นี่อะไรเงี้ยเขามีเวลาเราไปนะไม่เสียเวลากินข้าวเรากินของเราสิบห้านาทีก็เสร็จแล้วยี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วลเราเลียดกันอยู่ได้เท่าไหร่ชั่วโมงโง่จริงเลยชีวิตเป็นของขาดแคลนนะเวลาเนี่ยเป็นทรัพยากรที่เราซื้อมาด้วยชีวิตของเราเองนะเราไปล้างผ่านไม่ได้เลยงั้นต้องรีบภรวนาอย่าสนมากนะภาวนาให้เยอะ นมัตการหลวงพ่อครับโยมห่างหลวงพ่อไปนานกลับมาครั้งนี้ได้มีโอกาสมาอยู่ที่วัดพบว่าอาจารย์ให้ไปอบอกว่าอย่าลวกแล้วก็อย่าคิดเยอะครับเพราะว่าทําไปแล้วมันมันเป็นธรรมชาติที่มันชอบจะไปลวกของมันอย่างนั้นจิตมันเคยชินแต่มันไม่ดีหรอกอันนั้นแหะคืออัตตะกิลมัฏฐานวิโยก ปล่อยให้มันทํางานไปแล้วเห็นมันอย่างที่มันเป็นดูอย่างนี้นะฌานสังเกตไหมพอไม่ไปรวบมันนะจิตมันเบิกบานได้ในตัวของมันเองใช่ครับนั่นนนัแหละจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราใช้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะีเเนนเนนะ่เรียนรู้ความจริงของรูปนามไปเรื่อยๆสมาธินั้นมีมากอยู่แล้วพอไม่ไปบังคับเท่านั้นนะจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอัตโนมัติแล้วพอเราได้ตัวนี้เราก็ดูท่าดูขันทํางานอย่าไปจ้องอย่าไปบังคับหน้า ง่ายๆเท่นั้นแหละครับที่พระอาจารย์บอกว่าอย่าไปรวบอย่าไปอะไรมันมันเห็นว่ามันมันไปอย่างนั้นอยู่ก็เลยลงนอนนอนมันคล้ายๆแบบว่ามันเหนื่อยมันเพียกับการที่จะต้องทิ้งมันเออพอลงนอนปุ๊บแล้วพอพอมันหมดความตั้งใจครับออืพอมันหมดความตั้งใจปุ๊บสมาธิมันก็เกิดเลยเอเท่านั้นแหละที่แท้ว่าพระอาจารย์ไม่บอกว่าเค็สของการเข้าสู่ความสงบลึกๆ พี่แ้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคือความไม่ต้องไม่จงใจหลวงพ่อเพื่อก็สอนแล้วนะวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดสมสถาถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจคือพอหมดความตั้งใจไปแล้วก็จะเห็นว่าเห็นไฟขึ้นมาก่อนเลยครับพอไฟเกิดแล้วมันจะมีดินขึ้นเกิดมามีน้ําและมีลมขึ้นมาครับมาพร้อมๆกัน<ห>นั้นเป็นธาตุเป็นธาตุากรรมฐานในโลกนี้มีแต่ธาตุนะดูอย่างนั้น มันแยกออกไปแยกแยกธาตุมันเดินปัญญานะ ค, คือถ้าลําพังกระสินเนี่ยมันจะเข้าไปที่สงบมันจะไม่เกิดดินน้ำไฟลมด้วยกันอย่างนั้นหรอกมันจะไม่แยกขันมันจะกลายเป็นแสงแล้วแสงแล้วจิตที่ไปอยู่กับแสงไม่เดินปัญญานั้นถ้าเล่นกระสินนมันจะน้อมไปไปอยู่กับปฏิภาคมันอยู่เฉยๆยแต่ถ้าเราเห็นมันแตกออกนะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันแตกออกเป็นดินน้ําไฟลมนะตัววัตถุร่างกายเนี่ยเป็นดินน้ําไฟลมเนี่ยมันเดินปัญญานะในส่วนปัญญาครับหลวงพ่อครับในส่วนปัญญาพิจารณาเห็นว่าอาการที่หลวงพ่อบอกว่าอยากคิดเยอะตัวนั้นมันมันเหมือนว่ามันห้ามไม่ได้ครับไปภาวนาไปแล้วเป็นนิสัยแต่ก็ให้รู้ทันว่าตรงนี้ไม่ดีครับมันเหมือนอย่างจิตเนี่ยเคยรวบเนี่ย หลวงพ่อบอกเนี่ยไม่ใช่ว่าห้ามรูว่มันห้ามไม่ได้หรอกแต่ให้รู้ว่าตรงนี้มันไม่ดีพัใจมันรู้อย่างนี้ทีหลังมันจะค่อยๆลดลงครับตอนนี้ให้เข้าใจนะครับว่าตัวอ่าอย่างนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านตัวเนี้ยเรียกว่ากําลังเดิ น, นธรรมวิชยยะอย่างเนี้ยเรียกว่าวิติดวิปัสสนู๋ไอ้ผมช้าเนี่ยตรงวิปัสสนู๋นี่ไหมครับือที่ผมช้าเนี่ยครับตรงวิปัสสนูตรงนี้ใช่ไหมครับใ ตอนนี้ผมกระจ่างนะครับว่าสามตัวเนี้ยคือถ้าจิตมันถึงฐานจริงๆนะมันหายหายวิปัสสนูนี้สิบประการนะก็จะคิดไม่ถึงฐานจิตที่ถึงฐานนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่ผู้แข็งป๊อกๆอยู่ครับนมัสการขอบคุณหลวงพ่อครับมีการบานถูกทุบถูกตีมาขอการบ้านกลับไปทำต่อครับอย่ารีบร้อนนะฌานติดในนั้นมากไป มีขั้นมีตอนมีสเต็ปอะไรเงี้ยทิ้งไปทั้งหมดเลยโง่ไ้ยรู้ลงปัจจุบันโง่โงไว้อะดีเห็นเกิดดับอยู่กับปัจจุบันพอแล้วล่ะดูลงปัจจุบันเกิดดับไปเรื่อยๆพอแล้วโง่ไว้ ก, นะวการนัวัตการ์ค่ะหลวงพ่ออที่ภาวนานี่จะเห็นจิตอย่างตอนที่มองอะค่ะตอนที่มองไปเนี่ยไม่เห็นว่าจิตไหลแต่ว่าพอพอมองไปแล้วค่ะเจ้าค่ะก็ เห็นพอรู้ว่าเราเราหลงไปมองเหนูเห็นจิตมันดึงกลับมาแล้วก็ได้เห็นจิตตอนที่ตกใจคือสวดมนต์อยู่ในในกู ต, ตอนกลางคืนนะคะคือหนูเป็นคนที่กลัวความมืด อ, อ, อยู่แล้วปรากฏว่ามีเสียงดังแบบเหมือนกิ่งไม้หักแล้วแบบแต่เรายังสวดอยู่นะคะแต่เราเห็นใจมันมันหดเล็กๆไปข้างในอะค่ะมันหดไปเลยค่ะแบบหนูเห็นแต่ว่ากายเราก็ยังสวดนนเหมือนปกติค่ะแล้วสักพักหนึ่งก็มันก็หายไปแล้วก็มามีสมาธิกับการสวดมนต์ต่อ จนตอนที่เดินเนี่ยเดินจงกรมมันเหมือนเราตั้งใจมากค่ะใจมันจะแข็งแล้วแบบเอาไม่ออกค่ะมันจะแข็งมากก็ก็คือรู้สึกเอ๊ะทาไมไม่หายก็เลืนขึ้นได้เที่ยหลวงพ่อว่ามันมีโทสะที่มันไม่ยอมหายมันก็เลยไม่หายนั่นแหละถ้าหนูดูถึงใจที่ชอบไม่ชอบได้นะจะเข้าสู่ความเป็นกลางเข้าสู่ความเป็นกลางเท่านี้สิ่งทั้งหลายมาแล้วก็ไปเป็ตามธรรมชาติแล้ค่ะแล้วหลวงพ่อมีคำในการตอบต่อที่ทําได้ดีขึ้นแล้วค่ะขอบพระคุณเจ้าคระ มันไม่ค่อยจะมีอะไรหวือหวาค่ะแต่ว่าคือเข้าใจว่ามันคงจะยังมีความอยากได้อยู่ค่ะก็ดูเอาอย่าไปกดไปก็แล้วกันเราอยากได้เราก็ไปบังคับมันค่ะรู้สึกว่ามันสบายขึ้นมาค่ะแล้วก็เห็นสภาวะอะไรอย่าเงี้ยต้องมีเครื่องอยู่ไว้นะกับบ้านแปจะอยู่กับลมอยู่กับพุโทโธอะไรก็เอานะให้จิตมันมีเครื่องอยู่จิตมันถึงจะมีกําลังไมงั้นจิตมันจะไม่มีแรง แล้วเวลาอยู่กับลมเนี่ยคือหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยที่เรียกว่าอยู่กับลมเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆไม่จ้องที่ลมนะเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆรู้สึกไม่มีอะไรทําก็รู้สึกเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆอันนี่ใช้ได้จิตถือจะมีแรงนะไม่งั้นไม่มีแรงมันตัวมานะมันโผลให้เห็นเยอะดีคำขอดูไป มาน้านีห้เป็นกิเลสตระกูลไหนโลภะโทสะโมหะโมหะใช่ไหมไม่ใช่เนาะ <laughs> <laughs> ผิดตัวแล้วมั่งผิด ว, วนะกิเลสตัวไหนก็ช่างเป็นตัวเราไม่ต้องนำบันพัพบุรุษกันหรอกครับค่ะ <laughs> หลวงพ่อาไงกราบรายงานหลวงพ่อคะ่ะคือตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูเป็นพื้นฐานเหมือน ฟุ้งซ่านนะคะแต่ว่าพอเวลาที่เรามีสติกับมา ท, ที่ใจเราเองเรารู้สึกว่ามันมีสมาธิแล้วก็รู้สึกบางครั้งรู้สึกว่าในมันเหมือนกับเห็นในบางเห็นในบางสภาวะที่เราไม่เคยเห็นนะคะหนูเลยไม่แน่ใจว่าหนูเดินถูกทางหรือเปล่าะะถูกแล้วล่ะดูไปนะ ไม่ใจเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ลงรู้ชื่อก็ได้นะเห็นมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแป ล, ปลกงก็ยุก็ยิกอะไรยเงี้ยดูแค่นั้นก็พอละก็เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆนานๆไปจะเห็นว่ามีแต่ทุกนะตัวนี้ทุกทั้งนั้นเลยดูไปแล้วพอใจมันไม่ชอบทุกก็ให้รู้ทํานใจที่ไม่ชอบไถ้าเห็นตัวนี้แล้วมันจะทุกดูไปอีกอ ค, ค่ะขอบึ้นค่ะ โดยภาพรวมเหมือนกับว่าปีที่แล้วทั้งปีต้นปีกับปลายปีมันมันมีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นถามหลวงพ่อว่าต้องมโยงมติดอะไรยงมควรจะเพิ่มเติมอะไรดูเขาทำงานไปเรื่อยนะดูมันดูคนอื่นดูกายมันเห็นคนอื่นดูใจมันทำงานมันเห็นคนอื่นเราเป็นแค่คนดูล้วถ้ามันเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันเอา รู้ตัวเองไปอย่างนี้เรื่อยๆปัญญามันก็จะค่อยเพิ่มไปบางคนตั้งข้อสังเกตนะใครส่งกันมานหลวงพ่อบอกดีหมดเลยหนูเห็นกิเลสเยอะเออดีมูนี้ใจผ่องใสไม่ค่อยมีกิเลสเออดีดีตรงไหนอ่ะดีตรงที่รู้ทันไงเรารู้สภาวะที่กำลังเป็นของเราได้ใช้ได้ละพอรู้สภาวะได้แล้วต่อไปก็แค่รู้ด้วยปอบินกลางมันเกิดยินดีให้รู้ทันมันยินได้ให้รู้ทัน สติปัญญาค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นถึงวันหนึ่งมันก็ปิ๊งมันรอเวลาปิ๊งนะปิ๊งห้เห็นแล้วตัวเราไม่มีฝึกดูเรื่อยๆพอตัวเราไม่มีใครจะทุกข์ขันมันทุกข์แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ไม่มีเราที่เป็นทุกข์แต่ขันนั้นมันเป็นทุกข์เห็นขันมันทำงานแล้วใครทำขันมันทำมีการทำงานแต่ไม่มีผู้กระทาขันมันทาไม่ใช่เราทา ขนันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ค่อยฝึกไปได้ความเข้าใจมันยิงมากขึ้นมากขึ้นตามชั่วโมงบินของเราแต่ว่าจะนับเวลาว่าปฏิบัติมาเท่านั้นปีเท่านี้ปีวัดอย่างนี้อยากไปบางคนปีหนึ่งดูทีเดียวนะบอกปฏิบัติมาสิปีคือดูสิบครั้งเองคนหนึ่งวันหนึ่งดูร้อยครั้งยังไงมันก็เก่งกว่าขยันดูดูบ่อยๆ อ, ยอว่ามากรน้ำมัตการค่ะหลวงพ่อ ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ไม่ท้อแท้แล้วก็จิตเขาเข้มแข็งมากขึ้นแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วก็ดูไปหน้าขันี่ก็ส่วนขันนะจิตก็ส่วนจิตดูออกไหมมันแยกได้ดูออกค่ะหลวงพ่อแล้วก็คือหนูเห็นว่าเขากล้ารู้ทุกข์มากขึ้นนะคะก็กล้าดูแล้วก็เห็นเขาเกิดเกิดแล้วก็บางทีเห็นถึงว่ามันเหมือนเค้นเค้นของตัวทุกข์แล้วเขาก็ดับของเขาไป เกิดดับได้ได้บางวันเห็นทีเจ้าค่ะหลวงพ่อมันก็ดูไปอย่างนั้นนะบางวันเห็นบางวันไม่เห็นก็ไม่เห็ น, เ, เ, นเลยค่ะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นใจเขายอมรับกับการเสื่อมได้มากขึ้นนะคะหลวงพ่อแล้วเป็นกลางได้มากขึ้นแล้วยังลำพึงลำพันเยองไหม ย, ยังมีอยู่บ้างเนี่ยค่ ะ, ะแล้วเคยจากที่เคยหลวงพ่อเคยบอกหนูครั้งแรกเม้ะ ประมาณ6กปีกว่าที่แล้วหนูก็ไม่เข้าใจว่าตัวขําครวนนี่มันมันเป็นยังไงตอนนั้นหนูเข้าใจดีมากดีรู้จักเลยหนูพ่อไม่ได้ใส่ร้ายเนาะใช่ค่ะเป็นตัวแรงมากของหนูเลยอ่ะอันนี้คือพ่อหนูเห็นเขาเป็นอย่างงี้เลยหนูพราะแต่หนูทําสมาธิไม่ลงเลยนะคะหนูพ่อเห็นสมาธิของหนูมีแล้วแต่สมาธิตัวเนี้ยมีปัญญานํามา เราเห็นเกิดดับนํามาจิตก็เกิดสมาธิขึ้นมาเรียกว่าใช้ปัญญานําสมาธิแล้วหนูคนจะต้องเพิ่มอะไรอีกไหมคะบางทีหนูรู้สึกมันแห้งแรงมากเลยจ้ะเราไม่ได้ทรงฌานมันจะแห้งแลง <c oughs> แ้งกระทั่งบรารลุพระอรหันต์นะเขาบรรลุแบบ แ, บบแห้งแรงเรียกสุขภิปัสสะจะ <c oughs> ถามว่าจะไปทำฌานไหมสิเวลาเดินปัญญาไปเลยไปแบบแห้งแห้งนี้แหละ <c oughs> ต้องทนไปอย่างนี้ใช่ัหมคะถ้าอราหันต์ส่วนมากไปแบบ แ, บบแห้งแรงนะ ไม่ได้ว่าชํานาญในช้านบางทีมันก็รู้สึกวบบเหน่อยากอยากอยากถ้าอยากพักเนี่ยก็คิดถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาไหว้พระสวดมนต์นะทำใจเหมือนกับเรานั่งอยู่หน้าพระพุทธเจ้าแค่นี้ก็ได้พักละเวลากราบพระก็ทําความรู้สึกเหมือนกราบอยู่แทบเท้าพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้ายืนอยู่ข้างหน้าเรากล่าบเนี่ยสวดมนต์ก็นึกไปหน้าเหมือนเรานั่งอยู่หน้าพระพุทธเจ้า แค่นี้ก็ได้สมาธิแล้วขอบคุณมากเจ้าค่ะวันนี้หนูอยากขอถวายการปฏิบัติของหนูเป็นอาจาริยบูชากับหลวงพ่อนะคะับสาธุขานามัสการค่ะคือหนูเมื่อครึ่งปีที่แล้วเมือ่อเมื่อครึ่งปีหลังอ่ะคะ่ะหนูรู้สึกว่าหนูแยกกายกได้ค่ะพอมาปีนี้เนี่ยมันเหมือนมัน มันอาจจะอยากให้มันทําได้ดีเหมือนเดิมมันก็เลยก็เลยไม่เห็นว่ามันมีพัฒนาการที่มันให้เห็นโท <c oughs> รสาพท์ว้จิตมันมีกิเลสตัวหนึ่งนะชื่อกุกกุจจักกุดกุจจะเป็นความเล่าร้อนใจรู้สึกไม่ดีสักทีไม่ดีสักทีกทนะเนี่ยกิเลสกำลังเกิดอยู่ให้รู้ทันตัวนี้ไปนะ <c oughs> ขอขอะคุณค่ะแล้วมีอย่างอื่นดูออกหไหมกิเลสตัวนี้ตัวกุกุจจะมันเป็นความเล่าร้อนใจว่าอย้ยังไม่ดีสักที เนี่ยดูเข้าไปนะมันตะกูลโทส ะ, ะมันทำให้เราล่าช้าสมัยพุทธกาลนะพระอนุรุธ พ, พระอนุรุธท่านก็ได้ธรรมาขั้นต้นแล้วนี่ก็ภาวนาแล้ววันหนึ่งท่านก็มาถามพระสารีบุตรพ่ะแต่พระสารีบุตรพูดเจริญผมมีทิพยจักษุเลิศเกิดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาเพียงครู่เดียว ทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์เสียทีสารสาาีบุตรก็แยกให้ฟังท่านอนุรุตที่ท่านบอกว่าผมมีทิพยจักสุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยท่านกำลังมีมาะนะะกู้เก่งกู้เหนือกว่าเนีน่ยผมเห็นโลกเกิดดับตั้งพันโลกในเวลาครู่เดียวนั่นฟุ้งซ่านนี่ว่าอุทธัจจะฟุ้งซ่านทําไมไปดูโลกพันโลกทําไมไม่ดูกายดูใจตัวเอง แล้วตรงที่ท่านบอกว่าเมื่อทําไมผมไม่บรรลุพลระอรหันต์สักทีเป็นกิเลส ช, ชื่อกุกุจจะความเร่าร้อนใจให้ท่านละทำสามอย่างนี้น้อมจิตไปสู่อมะตะธาตุแล้วท่านก็จะบรรลุพลระอรหันต์ในเวลาไม่นานนะได้ฟังเทศพุทธเจ้านิดหนึ่งท่านก็บรรลุละ ja วนั้นกุกุจจะก็ขวางเราเหมือนกันเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งนะกราบนมันสการเจ้าค่ะ ขอขงหนูชอบจมอยู่ในโมหะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีสติไปชอบมันทําไมล่ะ <c oughs> มันจมหายไปเลยค่ะถ้ามันจมหายไปนะมันรู้สึกร่างกายไหมหายใจออกรู้สึกตัวให้ยใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยร่างกายไงก็ไม่หายนะ้ใจมันหายไปก็มาดูกายแล้วก็จิตมันมันเดื้อค่ะแล้จิตมันเดื้อเป็นเรื่องธรรมชาติน ะ, ะคน ร, รุ่นเราเนี่ยรุ่นดื้อ ควรจะปฏิบัติยังไงคะถ้าดูจิตได้ก็ดูไปนะเห็นจิเลสไหมใจมันฟุ้งซ่านใจมันร่าเริงร้อนอย่างเงี้ยรู้ทันมันไปถ้าดูไม่ได้ก็เห็นร่างกายหายใจไปเรามแีแนวรุกแนวรับมีแรงขึ้นมาเราก็เห็นจิตมันเดี๋ยวมีอารมณ์น้่นเดี๋ยวมีอารมณ์นี้มีความรู้สึกอย่าง น, นู่นอย่างนี้นะ ถ้าดูไม่รู้เรื่องก็เห็นน่างกายมันหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวใจก็จะได้สมาธิสมาธิแล้วก็ไปดูจิตมันทำงานเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแมืสกครหลวงพ่อนะครับก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายปีแล้วเพิ่งได้มีโอกาสส่งกันบ้านครั้งแรกนะครับก็คิดว่าตัวเองสามารถแยกแยกกายแย แค่ขันไดแล้วก็คือในชีวิตประจําวันเนี่ยก็พยายามดูกายเนี่ยให้เป็นมีวิหารธรรมเป็นตัวเราเนี่ยครับแล้วก็ถ้ามีจิตมันหลุดไปหรืออะไรไปก็พยายามรู้ดูให้ทันก็คือตอนนี้ก็คือมันก็พยายามรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็คือบางทีเนี่ยก็จะเห็นแบบมีอะไรแว บ, บขึ้นมามเกิดจากอันนี้ <c oughs> คือบางทีก็มองย้อนไปอ๋อไอ้นี่มันขึ้นมา <c oughs> เพราะว่ามันมีอันนี้มากระตุ้นอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ d e f i n ไม่ได้ว่ามันเป็นไ ม, ไม่จําเป็นมันเป็นอะไ ร, ร, รไม่จําเป็นต้องดี f i n ครับก็ส่งกันบ้านแล้วก็เลยขอกันบ้านต่อว่าควรจะทํำยังไงต่อไปไครับเรารู้สึกตัวเป็นเราก็ดูคันมันก็แยกเราค่อยๆสังเกตไปกิเลสอะไรที่มันบ่งการพฤติกรรมของเราแต่ละขณะนะ คอยรู้ทันดูออกไหมมันมีกิเลสอะไรซ่อนอยู่อะไรแต่ละช่วงแต่ละช่วงรู้ทันมันไปเรยมันคือศัตรูตัวร้ายเลยนะตัวกิเลสเนี่ยคนอื่นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ากิเลสของเราเนี่ยตัวร้ายเป็นบางคนกนะ็ไม่แน่ใจว่าดูทันบ้างไม่ทันบ้างไม่เป็นไรทาเท่าที่ทันนะครับมันทันตลอดเวลาก็เกินไปครับนะขอบคุณดูอ อ, ออกไหมว่ากิเลสอะไรของเราเยอะดูออกไหม ดูออกครับเออดูออกก็ใช้ได้ครับไม่ต้องหลวงพ่อบอกเนาะธรรมัส ก, การหลวงพ่อกันหนูถาวายการปฏิบัติกับหลวงพ่อเลยแล้วก็ตั้งใจจะาภาวนาต่อไปอะคะ่ะเออดีแล้วละ่ะค่ะ ช, ช่วงนี้ะหลวงพ่อมันเหมือนว่าเราจะเหมือนมันจะเห็นแต่ความทุกข์อะคะ่ะแล้วก็เหมือนตัวเราอะ่ะคนบนโลกนี้เหมือนถูกขังนะคะ่ะมือนถูกขังอยู่บนโลกนี้ไม่ทราบว่าติดอะไรหรือเปล่า เราเราเห็นจิตของเราถูกขังอยู่ไหมด้วยค่ะเหมือนตั ว, ต, วตัวกายเราด้วยอะค่ะใช่ถูกขังอยู่โดยเฉพาะที่สําคัญ น, นะก็ดูไปเรื่อยเรยเร า, เพาะพบว่าจิตเราถูกขังอยู่จิตเราไม่อิสระเนี่ยเคยมีคนมาถามหลวงพ่อนะว่าทําไมหลวงพ่อขยันภาวนาหลวงพ่อบอกตอนเด็กๆด็กอะหลวงพ่อภาวนาด้วยความเคยชินมันชอบภาวนาก็ภาวนานะนี่ต่อมาเนี่ยจนมาเจอหลวงปู่แล้วภาวนามาเรื่อยเรย หลวงปู่สอนให้ดูจิตดูใจมันรู้สึกสนุกได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็สนใจภาวนาเพราะว่าสนใจพอภาวนาไปเรื่อยๆนี่ถึงจุดหนึ่งกลับไปเห็นว่าจิต น, นี่ถูกขังอยู่คราวนี้ภาวนาเพื่อจะแหกคุกนะคราวนี้ถอยไม่ได้ละขี้เกียจก็ไม่ได้รู้สึกมันติดคุกอยู่แล้วคุกเนียนนะหนียวเหนียวพังยากไปทําเอานะอย่าให้ใจฟุ้งซ่านเกินก็แล้วกัน ต, ต้องทำยังไงต่อไปคะหลวงพอ่อรู้สึกตัวให้ดีน ะ, ะอย่าปล่อยให้ใจมันฟุ้งๆไปรู้สึกในร่างกายรู้สึกในใจแล้วเวลานอนเนี่ยเราเราจะมองเรารู้สึกจะแยกแยกธาตุแยกขันว่าเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอจะได้แต่ว่าเวลาซึ่งเราออกกรเปกติอย่างนี้มันมันมันจะแยกไม่ออกค่ะไม่เป็นไรแยกได้ก็แยกแยกไม่ได้ก็แล้วไปน ะ, ะแต่ว่าความสงบควรทําเป็นช่วงๆนะ ไม่งั้นใจจะฟุ้งไปใจไม่ไม่มีแรงมันเหมือนรู้แต่ไม่รู้แรงมันไม่พอขอการขอการส่งกันบ้านค่ะหลวงพ่อช่วงนี้ชีวิตมีปัญหาอุปสรรคเยอะค่ะการภาวนาเลย ก, ร, กระเป๋า<อ>เป็นพิเศษต้องอย่างนั้นสิ อย่างนี้ค่อยสมไปรูสศีลหลวงพ่อนะคือช่วงหลังๆนี้เริ่มนั่งสมาธิเช้าเย็นค่ะแล้วก็สวดมนต์ออกเสียงช่วงมันจะเห็นพัฒนาการได้ว่าเวลาที่เราสวดมนต์เนี่ย เ, เราจะเห็นจิตที่มันถ่ายทอดบทสวดกับปากที่ที่มันที่มันขยับขยับะค่ะมันแยกกันเป็นขณะขณะชัดเจน<ด>ค่ะ เห็นไหมมันทำงานได้เองใช่ค่ะแล้วก็บางวันจิตจะดีมากเลยค่ะจะเป็นสมาธิบางวันมีอะไรก็ไม่รู้ผุดขึ้นกลางอกมันจุ๊บๆนึบๆแล้วเราก็จะไม่พอใจมันกำลังที่จะเรียนรู้ว่าเราพอใจหรือไม่พอใจสภาวแบบไหนนะคะดีแล้วแหละค่ะก็วีที่ผุดขึ้นกลางอกนะกิเลสก็ผุดตรงนี้นะมุสสนก็ผุดตรงนี้สุขทุกข์ก็ผุดตรงนี้ ถ้ามันเป็นกุศลมันจะเบาเบสบายสบายเรื่อยๆค่ะใช่แล้วเราจะชอบมันอชอบให้รู้ทันเวลาเป็นอกุศลมานะมันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันทึ้มันเหนียวมันโสมปลุกใจไม่ชอบมันไม่ชอบไม่ชอบให้รู้ทันมันปวดปวดเนบเนบแล้วจุดสำคัญไม่ใช่ว่าอะไรโปลุกขึ้นมาส่วนสําคัญอยู่ที่ว่าชอบเรารู้ไหมไม่ชอบเรารู้ไหมจุดสาคัญทองการปฏิบัติอยู่ตรงนี้ต่างหาหนูพยายาม หนูกําลังพยายามที่จะรู้สึกส่วนนี้อยู่คือพอมันเห็นเนบเบขึ้นมาจะดูต่อเรื่อยๆว่าชอบไม่ชอบโทษะจะผลักแล้ววันนี้รู้สึกว่าตัวเองมีเมื่อกี้พระอาจารย์สอนมีกุฏะค่ะหนูอยากให้มันดีขึ้นหนูเลยตะเกียกตะกายมาวัดวันนี้ดีแล้วเหตะเกียกตะกายมาวัดอนะ่ะดีแล้วหนูต้องทําอะไรต่อไหมคะหลงไปดูสินะเราเห็นสภาวะได้ละเอียดแล้วดูสภาวะเขาทางานไป แต่เมื่อภาวนาไปถึงจุดหนึ่งแนละ้วมันถอยไม่ได้แล้วนะนเพรามันเห็นว่าโลกที่มันทุกข์นะหนูห น, ห น, หนูหนูก็ถอยไม่ได้แล้วคะ่ะหนูรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นชีพึ่งแล้วคะ่ะใช่ต้องดูไปเรืยนะด้วยจิตที่เป็นกลางจำที่หลวงพ่อสอนได้ไม่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นแลตัวสุดท้ายและเป็นกลางค่ะตอนนี้จิตหนูเป็นคนดูละตั้งมั่นแต่ขาดความเป็นกลางใช่ค่ะ ่ว่าเวลาจะดูว่ากลางไม่กลางอย่าจงใจมากนะค่ะถ้ามันไม่กลางมันยินดีให้รู้ทันมันยินไายให้รู้ทันอย่าไปเที่ยวหาว่าเอ๊ะตอนนี้ยินดีหรือตอนนี้ยินลายมันจะไม่มีอะไรให้ดูขอบคุณค่ะ<อ>นมัสการหลวงพ่อค่ะพอดีหนูหนูส่งกันบ้านเมื่อปีที่แล้วต้นปีค่ะแล้วก็คิดว่าตั้งใจจะนั่งจะนั่งสมาธิทุกวันนะคะก็ก็พอทำได้เออทำได้ก็ดีนะ ก็เลยอยากจะทำหลวงพ่อว่าไม่ร hmm. ู้ตอนนี you sure you ้มีอะไรติดอยู่หรือเปล่าแล้วก็จะทำจะปฏิบัติยังไงต่อไปอะค่ะเห็นไม่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมพอจะเห็นบ้างไหมเคยเห็นว่ามันแยกแยะคือว่ามันแยกค่ะแล้วความรู้สึกมันก็แยกได้ดูออกไหมคิดว่าดูออกค่ะถนัดดูจิตใช่ไหมคิดว่าใช่ค่ะถัานัดดูจิตนะก็ดูจิตไปเรื่อย เราจะเห็นเลยสุขมาแล้วไปทุกมาแล้วไปดีชั่วมาแล้วก็ไปแต่ถ้าเห็นแล้วยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันใช้หลักนี้เรื่อยๆไปนะพอนาได้ถึงสุดขีดเลยหลักเนี้ยค่ะนมัสการหลวงพ่อคะ่ะ เ, เป็นครั้งแรกที่ได้มาฟังหลวงพ่อที่นี่แล้วก็โยมได้ฟังซีดีของหลวงพ่อตอนอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็ ตอนที่ฟังอยู่โยมก็ป่วยเป็นมะเร็งปอดขั้นสุดท้ายก็ได้ยินที่หลวงพ่อพูดบอกว่าคนที่ป่วยจะปฏิบัติยากแล้วมันก็เป็นความจริงมันต้องทนค่ะต้องทนแต่ว่าบางทีป่วยแนละ้วมันทําให้ขยันปฏิบัตินะบางคนแข็งแรงนะชวนปฏิบัติไม่เอ า, าขอเที่ยวควันก็พยายามปฏิบัติ ในระยะหลังอย่า ง, อ ย, างอย่างเช่นสองวันก่อนเนี้ยพยายามที่จะนั่งสมาธิแล้วก็ดูจิตแต่ว่าปวดหัวค่ะ mm hmm. ไม่ทราบว่าเพ่งไปหรือเปล่าหรือยังไงปวดเป็นจุดๆหรือเปล่าหรือปวดตรงไหนปวดตื้อทั้งทั้งศ oh. ีรษะเลยปวดเราพยายามแยกตัวนี้สีไกาก็ส่วนหนึ่งความปวดก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งนะ ทำอะไรไม่ได้ก็ดูไปแล้วถ้าใจเล่าร้อนขึ้นมาให้รู้ทันใจที่เล่าร้อนไหม <Okay. S 2> เวลาที่เราป่วยหนักเนี่ยบางทีเจ็บมากขณะสมมติว่าใกล้จะตายเจ็บมากขณะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องดูตัวเวทนานขณะนั้นให้รักษาจิตไว้อันเดียวเลยสมมติเราฉุกเฉินเราจะตายแล้วโอ้โหเจ็บไปหมดเลยไม่ต้องไปนั่งแยกกายแยกเวทนาอะไรไม่ต้องแล้วนะ ให้รู้ทันเข้ามาที่จิตตัวงเดียวเลยแต่ถ้าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็หัดแยกไปเรื่อยๆแต่พอถึงจุดสุดท้ายเวลาเราจะตายจริงๆนะีเรา ด, ดูกายมันจะตายนด้วยใจที่สบายๆไม่ต้องทําอะไรละไม่ต้องดิ้นรนค้นคว้าว่าทํายังไงจะบรรลุจะอะไรนะ อ, อ๋อไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงไม่ได้คิดถึงกันเลยนะไม่ใช่นนนนะไม่เนหมถึงว่าถ้าถ้าฉุกเฉินขึ้นมาดูไปดูกายมันตายไปด้วยใจที่สบายสบาย รนะักษาใจให้สบายไว้อันเดียวแค่นี้เองแต่ถ้าในเวลาที่ยังป่วยไม่มากอย่างขนาดเนี้ยคนะเราก็เห็นแไปความปวดก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งควรละอันกันพอปวดแล้วจิตกระวนกระวายรู้ว่าจิตกระวนกระวายอะไรเงี้ยหรือจิตเป็นกลางรู้ว่าจิตเป็นกลางเนะื้อรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆด้านที่แยกไม่ออกคือความระหว่างความคิดกับจิตค่ะอืม รู้เราอย่าไปคิดคำว่าจิตเลยอ่ะเราเอาคําว่าความรู้สึกกับความคิดเนี่ยแยกกันออกไหมออกค่ะให้รู้ทันความรู้สึกไปความคิดไม่สําคัญหรอกความคิดคิดยังไงก็ได้แต่ความรู้สึกมันของจริงความคิดไม่ใช่ของจริงความคิดไม่มีสภาวะแต่ความรู้สึกมีโกรธโลภหลงสุขทุกข์นี่มีให้รู้ทันความรู้สึกไปด้วยใจที่เป็นกลาง <Okay. S 2> แค่นี้แหละคือหลักของการดูจิตที่ง่ายๆค <Okay. S 2> ถ้าเราไปพูดคําว่าดูจิตดูจิตมันก็ชักกังวลว่าจิตเป็นไงก็ไม่รู้ให้รู้ทันความรู้สึกไปได้จิตใจที่เป็นกลางแค่นั้นพอละ <Okay. S 2> แล้วความรู้สึ ก, กเราจะเปลี่ยนตลอดเวลาตามมองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนใช่ไหมลิ้นกระทบรสใจกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดเลยเนี่ยจมูกได้กลิ่นเั่เปลี่ยนหมดเลย เราก็เห็นความรู้สึกเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆด้วยจิตใจสบายๆดูไปสบายๆแต่ถ้าพอมันเกิดกระทบมีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วเราพอใจให้รู้ว่าพอใจเกิดไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจเจีเป็นกลางรู้ความรู้สึกไปด้วยใจที่เป็นกลางต่อไปใช่หลักอย่างนี้นะค <Okay. S 1> ถ้าจะไปคาว่าดูจิตดจิตฟังแล้วมันลําบากไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนจิตกับความคิดเป็นอันเดียวกันไมอะไเนี้ยฟังแล้วฟังยาก <c oughs> อ่ะหมดแล้วลนะ่ะเชิญกลับบ้าน